บทนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไประยะแห่งโสรสักปัญหาคือปัญหาของมนุษย์สิบกคนที่ได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับนั้นก็มาถึงปัญหาของท่านสุดท่านที่สิบห้าคือท่านโมกขราช ธนโมกราชนั้นเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองว่ามีสติปัญญาแตกฉานความเพื่อนทั้งสิบห้าคนเมื่อมาคว้าพระพุทธเจ้าก็ปรารถนาที่จะถามปัญหาก่อนคนอื่นแต่เพราะเห็นว่าอาจิตมานบท่านเป็นหัวหน้ามากก็เลยปล่อยให้ถามไปก่อน ตนเองตั้งใจจะถามเป็นคนที่สองแต่หลังจากพระพุทธเจ้ารับสั่งตอบปัญหาที่อาทิตย์มานกถามแล้วเมโมกราชเตรียมจะถามพระพุทธเจ้าก็ห้ามไว้แม่ให้ถามท่านก็ต้องรอมาเรื่ยจนมาถึงคนที่แปดต้องการจะถามเป็นคนที่เก้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้ถามอีก ก็ต้องรอมาถึงคนที่ส4บสคือโปสารมาโนก็ประรบจะถามเป็นคนที่ส5บห้าโดยกล่าวท้าวความว่าข้ารข้าแต่พระองค์ผู้เป็นสักกะก า, า, ารพุทธเจ้าประลบที่จะถามปัญหาต่อพระองค์ถึงสองครั้งแต่ถูกข้ามไว้ ครั้งนี้ก็จะขอถามปัญหาต่อพระผู้มีพระภาคการที่พระพุทธเจ้าได้รับสั่งห้ามไม่ให้โมโ ร, ราชมโน์กราบทูลถามปัญหาถึงสองครั้งนั้นเป็นอุบายวิธีในการฝึกเป็นในของพระพุทธเจ้าประการหนึ่งเพราะลักษณะการสอนธรรมะต่อคนทั้งหลายที่สงใช้อยู่ เป็นปกตินั้นจะมีอยู่สองวิธีใหญ่ๆวิธีแรกเรียกว่านิกหยาโมขะเทสนาคือจะกลา่กลาวกำรับหรือว่าให้บุคคลเหล่านั้นเกิดความสานึกลดละความแข็งกระด้างที่มีอยู่ภายในจิตใจให้ได้เสียก่อนแล้วตามด้วยคำสอนในตอนหลัง ซึ่งเป็นวิธีการฝึกคนตามที่ยกย่องสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษอย่างยอดเยี่ยมไม่มีสารถีอื่นจะยิ่งไปกว่าคนบางคนอาจจะมีมาณะกระดัางพระทรัพย์พระย์ประชาติพระวิชาความรู้ระถานะทางสังคมของตนเป็นตน้น บุคคลประเภทนี้จะให้ความสำคัญแก่ตัวเองสูงและจะมีความรู้สึกดูหมินบุคคลอื่นจะมาก้างน้อยปังบางครั้งก็อาจจะปรากฏออกมาอย่างเด่นชัดจิตใจก็มีความกระด้างไม่พร้อมที่จะรับรู้เหตุผลอะไรก็ระตามปกติแล้วคนเราจะ พูดจาจะทำความเข้าใจอะไรกันได้นั้นจะต้องมีจิตใจที่อดโยนยอมรับนับถือซึ่งกันและกันแต่ยังไม่พร้อมพระพุทธเจ้าก็ทรงใช้วิธีนิกขะคือกำราบซะก่อนให้เกิดความสานึกลดมานะที่มีอยู่ภายในใจให้เบาบางลงอยู่ในจุดที่ไม่มีอันตรายและในที่สุดก็จะเทศ วิธีการเหล่านี้อย่างที่ทรงสอนธรรมะแก่พระปัญจวัคคีในปฐมเทศนาก็ทรงใช้วิธีนี้คือกำลับให้เกิดความสำนึกเสียก่อนใละได้หลักในความคิดซึ่งช่วยให้พร้อมที่จะสะดับจักฟังพระธรรมเทศนา ท, ที่จะทรงแสดงในโอกาสต่อไปอุบายวิธีเหล่านี้ถือว่า เป็นโครงสร้างหลักในการฝึกปลืออบรมคนของผู้ที่รับผิดชอบต่อคนอื่นทั้งหลายและในการฝึกปลือจิตใจของตนเองในการฝึกคนนั้นบางครั้งก็ต้องอาศัยหยาบนำและตามโดยละเอียดบางครั้งก็เรียบร้อยอยู่แล้วก็ใช้ละเอียดได้เลย ในกรณีของหยาบนําที่ตามโดยละเอียดนั้นที่จริงก็เป็นวิธีการทําธรรมชาติธรรมดาที่ใช้ในกรณีทั้งหลายเหมือนก็เอาไม้มาทำเฟอร์นิเจอร์ก็ดูที่ขั้นตอนของไม้นั้นอยู่ตรงไหนถ้าอยู่เป็นทรงมาเป็นท่อนไม้มาก็ต้องผ่านกรรมวิธีที่ยากมาก่อนแต่ถ้าเป็นไม้อัดอยู่แล้วมันก็ต้องใช้อีกวิธีหนึ่ง คือหมาเครื่องมือที่ใช้ก็ต้องแตกต่างกันออกไปทังการฝึกปรืออบรมบุคคลก็มีลักษณะอย่างนั้นจะต้องสอดส่องพื้นเพอัตยาศัยของคนเช่นความเชื่อซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลนั้นว่ามีกำลังมากน้อยแค่ไหนถ้าความเชื่อยังไม่มั่นคง ก็จะต้องปลูกฝังให้เกิดความเชื่อขึ้นมาให้ได้เสียก่อนแต่ความเชื่อนั้นก็ไม่ได้ปลูกเฉพาะในตัวบุคคล น, นั้นแต่จะต้องมีศรัทธาทั้งในบุคคลที่จะพูดในเรื่องที่จะพูดตลอดถึงตนของตัวของบุคคล น, นั้นเองเพราะถ้าหากว่าจะมีปัญหาขึ้นในจุดใดจุดหนึ่งเช่นว่าบุคคลเชื่อมั่นใน ผู้สอนเชื่อมั่นในคำสอนแต่ไม่เชื่อมั่นในตนเองก็จะเกิดลักษณะของมานะประการหนึ่งที่ท่านเรียกว่าโอมานะคือดูหมิ่นตนเองคำสอนดีเหลือเกินแต่เราวาสนาน้อยทำไม่ได้ท่านปฏิบัติได้ดีก็น่าเชื่นชมยินดีแต่เราทำไม่ได้หรอกเราวาสนาไม่มากเหมือนท่านนี่คือลักษณะการดูหมิ่นตัวเอง จ่มกักจะมีอยู่ในบุคคลทางหลายเช่นในการศึกษาเราเรียนก็จะมีความรู้สึกว่าเราหัวไม่ดีคนอื่นก็หัวดีเ็าเรียนได้เราหัวไม่ดีเราเรียนไม่ได้และจะมีความรู้สึกหวาดกลัวสิ่งทั้งหลายเหมือนกับคนที่จะขึ้นภูเขาถ้ามองเห็นภูเขาสูงเสียด ฟ, ฟ้าแล้วจะไม่มีความสามารถขึ้นไปได้ แล้วนั้นจะต้องเชีย้ยเขาเห็นเสก่อนว่าที่จริงแล้วภูเขาจะสูงอย่างไรอาจจะเริ่มต้นโดยอยู่เหนือศีรษะของคนแต่ถ้าคนใช้ความเพียรพยายามก็จะสามารถที่ให้ภูเขาอยู่ใต้เท้าได้เมื่อเขาเชื่อมั่นเขาก็ไปได้แต่ทีนี้ถ้าหากว่าก็าอาจจะเชื่อมั่นในตัวเขาเองแต่ไม่เชื่อมั่นในผู้สอนไม่เชื่อมั่นในคำสอน มันก็เดินไม่ได้เป็นกันเพราะจะไม่เห็นความสำคัญของผู้สอนและตัวคาสอนมองเห็นตัวเองสูงกว่าผู้สอนและตัวคาสอนการศึกษาประพฤติปฏิบัติก็เดินหน้าไปไม่ได้แม้คำสอนจะทรงคุณค่าผู้สอนจะเป็นแบบฉบับอย่างไรแต่เมื่อเขาเอาตัวเองอยู่สูงกว่าผู้สอนและคาสอนแล้ว โอกาสที่รับผลจากคําสอนก็มีไม่ได้กรนี้พึงดูตัวอย่างบุคคลในสมัยพุทธกาลที่มาพบกับพระพุทธเจ้าบางคนมีความรู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าโอกาสที่จะได้รับรู้เรื่องาศาสนธรรมแล้วนาไปประพฤติปฏิบัตินั้นมีไม่ได้อย่างเช่นเวรัญชพรามที่มาฝ่าพระพุทธเจ้า ท่านไม่พอใจพระพุทธเจ้าที่ไม่ไหว้ท่านโดยท่านมีบาณะว่าท่านอายุมากกว่าพระพุทธเจ้าควรจะไหว้ท่านพระพุทธเจ้าก็ต้องใช้วิธีกำราบเสียก่อนให้รู้สึกว่าแม่เรื่องวัยวุธจะมีความสูงส่งอยู่ก็าตามแต่เมื่อเทียบเคียงกันในด้านคุณวุฒิแล้วคุณวุฒิก็ย่อมจะสูงกว่า ค่อยๆแสดงชี้แจงเหตุผลให้ท่านเกิดความเข้าใจพอเข้าใจเกิแสดงว่าท่านก็เกิดเชื่อมั่นในผู้สอนเราก็ลากเข้าไปหาคําสอนได้ระหว่างคําสอนกับผู้สอนนั้นมีความเกี่ยวเนื่องถึงกันบางครั้งอาจจะไม่ศรัทธาในคําสอนก็ทําให้ไม่ศรัทธาในผู้สอนเรอไม่ศรัทธาในผู้สอนก็เป็นเหตุให้ไม่ศรัทธาในคําสอนแต่ถ้าเกิดศรัทธาในผู้สอนด้วยคำสอนก็ตามอีก ฝ่ายหนึ่งก็จะรับการสัทธาไปด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้การสั่งสอนจนนำไปสู่การประพฤติปฏิบตัติก็จะเดินหน้าไปได้ดังเรื่องนี้จึงมีวิธีการหลากหลายในการฝึกปลือพุทธเวทในคือคนที่พระพุทธเจ้าจะทรงแนะนำให้รู้ธรรมะในกรณีนี้เป็นการประกาศถึงพระคุณ ข้อว่าเป็นยอดแห่งสารตีทั้งกล่าวแล้วให้ปรากฏเด่นชัดมากยิ่งขึ้นแต่อย่าลืมว่าเป็นโครงสร้างของการปฏิบัติคนในกรณีของการฝึกบุคคลอื่นในฐานะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้บังคับัญชาเป็นต้นก็ต้องอาศัยในยะนี้เหมือนกันแต่ในการฝึกปลือจิตใจตัวเองจังเห็นว่าบางครั้งจิตใจของบุคคลอ่อนไหวบ้างหรือว่าแข็งกร้าวเกินไปบ้าง ต้องมีการวิเคราะห์ตรวจสอบดูใจตัวเองในขณะนั้ น, น, นว่าใจมันเป็นยังไงแต่ใจมีความกระด้างแข็งกร้าวเกินไปก็ต้องพยายามลดความแข็งกร้าวนั้นลงมาให้จิตของตนเป็นจิตที่ใช้งานได้สามารถรับรู้เหตุผลในด้านต่างๆได้สามารถน้อมนำให้เกิดความสงบได้ซึ่งบางครั้งบางคราวก็ต้องใช้วิธีตบมันตัวเอง อย่างที่พระพุทธเจ้าก็ทรงใช้ในสมัยที่ยังบำเพ็ญเพียรเพื่อตัดสรู้อยู่คือบางทีก็ต้องกำราบใจตัวเองเหมือนกันเจ็นบางครั้งเกิดในขณะที่ประทับอยู่นั้นเนื่องจากอยู่ในที่เปลี่ยวไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนเกิดหวาดกลัวขึ้นมาก็ทรงใช้วิธีกำราบความกลัวด้วยวิธี ถ้ากลัวในขณะนั่งก็นั่งจนหายกลัวถ้ากลัวในขณะยืนก็ยืนกันจนหายกลัวในขณะนอนก็นอนจนหายกลัวนี่เป็นวิธีที่กำราบใจตัวเองซึ่งลักษณะเหล่านี้พึงสังเกตว่าแม้ในการปฏิบัติระดับศีลก็ดีระดับสมาธิก็ดีระดับปิปัสนาก็ดีบางครั้งใจวิ่งเกินไป เกินอารมณ์ที่ตนกำหนดในกรณีของสมถะกรรมฐานก็ต้องกำลับให้จิตลดความวิ่งความพรั่นไปในอารมณ์ต่างๆลงบางทีก็ต้องทาให้จิตเกิดความสานึกเช่นว่าเกิดความกระด้างขึ้นมาถือว่าเราเก่งกว่าคนอื่นดั่งสมาธิได้ ก็พยายามที่จะให้จิตสำนึกว่าเราไม่ได้เก่งจริงเพราะมีคนเก่งกว่าเราที่คนอื่นก็สามารถจะเดินไปได้ในขั้นตอนต่างๆแตาไม่จิตเกิดสำนึกก็จะอยู่ในจุดที่ใช้งานได้การที่พระพุทธเจ้าทรงมีวิธีการฝึกคนในลักษณะนี้ก็เพราะว่าคนในโลกนั้น ในแง่ของการปฏิบัติธรรมะจนในรับผลแห่งธรรมะจะมีอยู่สี่ประเภทใหญ่ๆกันประเภทแรกทรงใช้คำว่าปฏิบัติลำบากด้วยรู้ได้ช้าด้วยถือหมายความว่าพื้นเพจะดิตอัตยาสายนั้นไม่มีความพร้อมหรืออาจจะมีความพร้อมแต่ว่าเกินไป อาจจะเกินไปด้วยความกระด้างบ้างเกินไปด้วยความเพลิดเพลินบ้างเกินไปด้วยความถูกอาคตาิพยาบาทบ้างเกินไปด้วยอาการหมกมุ่นอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งบ้างเวลาปฏิบัติก็ต้องใช้วิธีการหลากหลายแม้แต่วิธีตุดดงซึ่งมีอยู่13สามวิธีนั้นก็คือเป็นวิธีกำรับบุคคลซึ่งมีลักษณะกระด้งางภายในใจมาก ให้มีการขัดเกลาวจิตใจให้อยู่ในจุดที่ไม่มีปัญหาเสียก่อนเหมือนกับการเตรียมสถานที่เพื่อต้อนรับบุคคลต้อนรับสิ่งที่ดีงามทั้งหลายนั่นเองคนประเภทนี้จะปฏิบัติ ด, ด้วยวิธีลำบากต้องใช้ทุกทรมานมากเวลาจะบรรลุมรรคผลจริงๆก็บรรลุได้ช้าเจออาจะเป็นเงื่อนไขทั้งภายในและภายนอกทั้งที่เป็นอดีตและปัจจุบัน บุคคลบางคนนั้นปฏิบัติลําบากประสบความทุกข์ทรมานมีวิธีหลากหลายในการใช้ฝึกปลือบุคคลเหล่านั้นแต่บทจะรู้ก็รู้ได้เร็วถึงวิธีนี้จะาพ่อป้าก็ต้องใช้วิธีกำลับคือกำรับนําด้วยกันทั้งสองฝ่ายคนหนึ่งอาจจะรู้ช้าไปหน่อยแต่ก็รู้คนหนึ่งเจ็บปวดรวดร้าวในตอนต้นเอาความทุกข์ทรมานมาลงทุน จะบทจะรู้ทั้งก็รู้ได้เร็วพอนี้พึ่งสังเกตว่าในสมัยพุทธกาลมีพระประเภทนี้อยู่เป็นนันมากบางองค์ปฏิบัติจนร่างกายพิการจนตาบอดว่าจะรู้ว่าจะบรรลุมรรคผลได้องค์จนถึงกับต้องไปอดอาหารอะไรต่อไรสารพัส การปฏิบัตินั้นลาบากมากแล้วก็รู้ก็ช้าด้วยแต่บางองค์ท่านปฏิบัติลาบากจริงไปเจอกัะหลัด ก, การวิธีการที่กำรับรุนแรงเพราะกระด้างกเกินเทวีบทจะรู้ท่านก็รู้ได้เร็วนั้นก็ขึ้นอยู่กับบา ร, รมีธรรมของท่านที่สนับสนุนมาจากอดีตด้วยผลความเพียรพยายามที่เหมาะสมในปัจจุบันด้วย บุคคลประเภทหนึ่งนั้นวิธีการอีกประการหนึ่งนั้นท่านใช้คำว่าอนุกหะมุขเทศนาคือนำด้วยวิธีอ่อนโยนนิ่มนวลปลุกปรอบให้เกิดความเชื่อมั่นแล้วก็ดำเนินไปได้คือแสดงว่าคนประเภทนี้จะพร้อม ที่จะฟังธทมศึกษาทมปฏิบัติธรรมและได้รับผลแห่งธรรมที่ทรงแสดงเอกไว้ก็ตามน้องก็มาเป็นไม้อัดมาเลยลพร้อมที่จะทำเฟอร์นิเจอร์ได้ในทันทีโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนอะไรมากเป็นพิเศษอย่างเช่นทรงแสดงธรรมะแก่พระยศศัตด์ท่านมีความรู้สึกว่าโลกนี้วุ่นวายด้วยกันเดินโบสมาว่าที่นี่วุ่นวายเนาที่นี่กิดข้องน โดยสองประโยคน์ท่นี้เมื่อผ่านไปถึงที่ประทับพระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่ายัศะที่นี่ไม่บุนวายที่นี่ไม่ขัดข้องมาที่นี่เถิดนั่งลงเถิดแลวเราจะแสดงธรรมแก่เธอเป็นวิธีนิ่มนวลอ่อนโยนปลุกปลอบใจให้ขวัญกำลังใจแก่คนซึ่งตกอยู่ในสภาพที่ว้าเวโ ด, ดเดียวเดียวได้แทบจะหมดหวังหมดอะไรตายอยากในชีวิตพูดกันหน่อยเดียว กบรรลุมรควนได้นะนี่ก็ชื่อว่าเป็นอยู่ในบุคคลประเภทที่สามที่กล่าวมาแล้วสองข้อคือบุคคลบางคนนั้นปฏิบัติสะดวกปฏิบัติสบายสบายแต่รู้ได้ช้าซึงก็หมายความว่าในขั้นตอนของการปฏิบัติที่จริงท่านก็ไม่มีปัญหาแข็งกระด้างอะไรเท่าไหร่ แต่พอดีความเพียรมันหย่อนไปคือความเพียรพยายามในลักษณะที่ไม่ต่อเนื่องไม่ค่อยเอาจริงเอาจั ง, อ, จงอะไรทอะไรเรื อ, อ จ, จะติดภาระธุระกิจการงานผูกมัดเอาไว้ไม่มีโอกาสที่จะไปลงมือประพฤติปฏิบัติก็ตำานองพระอานนท์เทระมีความรอบรู้แตกฉานเป็นตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่แต่ไม่มีโอกาส จะไปนั่งทำความเปลี่ยนสงบจิตใจเพราะมีภารกิจการงานวุ่นอยู่ตลอดเพราะบทท่านปฏิบัติท่านก็ปฏิบัติคืนเดียวเท่นันรูลุมาค น, นุ่นะนี่แต่จะเห็นได้ว่าช่วงระยะจากเป็นพระโสดาถึงพระอาหารหันต์นั้นร่วมสี่สิบปีใช้ระยะเวลาที่นานปฏิบัติไปตามสบายสบายกิดทำบ้างไม่ทำบ้าง แต่บทจะบรรลุก็ช่วงจะบรรลุโดยช้าออกไปเหยียดยาวออกไปเพื่อนที่ร่วมรุ่นคือออกบวชพร้อมกันกับบรรลุมรกรเป็นหมดแล้วยกเว้นระเปัทั์แต่ท่านเองก็เพิ่งมาบรรลุเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วทรานคนประเภทนี้ก็ต้องใช้วิธีอนุกหะคือสงเคราะห์นุเคราะห์โดวยวิธีที่นิ่มนวลที่จริงเขาพร้อม ไปเร่งความเพียรขึ้นหน่อยก็ไปได้อีกประเภทหนึ่งนั้นเรียกว่าปฏิบัติสะดวกด้วยเราก็รู้ได้เร็วด้วยตัวนี้ตามปกติก็ใช้วิธีอนุกหาเหมือนกันคือใช้วิธีสงเคราะห์นิ่มนวลอ่อนโยนพูดจากันไม่กี่คำก็ได้บรรลุมรรคผลแล้วหมายความว่าเหตุปัจจัยในอนดีตคือบารมีธรรมที่สังสมบรมมาสูงความเพียรพยายามในปัจจุบันไม่มีปัญหา ตะว่าจะในด้านสติสัมมาชัญญะความเพียรของขั้นไม่มีปัญหาในตัวเองพวกนี้บางครั้งบางคราวอาจจะฟังธรรมะเพียงสักประโยคสองประโยคนั่นเองแล้วก็บนรลุมรรผลได้ในที่นั้นๆซึ่งในสมัยพุทธกาลก็มีคนประเภทนี้อยู่มากเช่นท่านสีหะเสนาบ ด, ดี ฟังธรรมะจากการแสดงของพระพุทธเจ้าในขณะที่ท่านนั่งอยู่บนหลังช้างเรียบพระนครบรรุมรผลได้หรือพายาทารุจิริยะไปฟังเทศอยู่กลางถนนดานนั้นเองบรรุมรผลได้หรือพระพาหุปุตตะเทรีเตินสวนกับพระพุทธเจ้าหลบพระพุทธเจ้าแล้วก็หกล้มลงพระเจ้าก็เทศทั้งทั้งที่ท่านอย่างหกล้มอย่นั่นเอง ถ้าก บ, บันลุกมัผลไหนนี่คือคนที่มีความพร้อมเมื่อถึงคราวจะได้รับผลก็ได้รับผลในลักษณะที่รวดเร็วโดยตนเองไม่ต้องลงทุนลงแรงมากนักแต่คำว่าไม่ลงทุนลงแรงมากนักนั้นหมายถึงว่าลงทุนลงแรงในปัจจุบันแต่ว่าทุนแรงในอดีตนั้นก็ต้องฝึกปรืออบรมกระท ม, ม, ามามากแล้วเป็นพิเศษ เป็นเอกฐาบารมีธรรมของท่านเต็มทีนี้การฝึกปรือบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคนบางคนเราต้องใช้วิธีนิ่มนวลพูดจาให้เกิดความเข้าใจใอย่าใช้วิชายวิธีรุนแรงไม่ได้เพราะถ้าใช้วิธีุ์รุนแรงอาจจะเตลิดเปิดเปิืองปกันจ่ายหรือว่ามีความรู้สึกเป็นศัตรูหายไปเลยก็มีทีนี้พอมาถึงจิตใจตัวเอง ผู้ปฏิบัติธมจะพบว่าในการเจริญจิตานุ ป, ปัสสนาสติปัฏฐานนั้นบางครั้งจิตตกอยู่ในสภาพที่เรียกขดถูคือถ้ามองจากสายนิวรณก็คือนิวรณ์ถ่ายถีนมิทะมีลักษณะเคริบเคลิ้มขดถูง่วงนอนง้อยเงาเหนื่อยหน่ายทอ้อถอยหมดอะไรตายอยากจนถึงก็เกิดอาการเสิงึ้นมา ลักษณะเหล่านี้จำเป็นจะต้องอาศัยการปลุกปรอบจิตแล้วก็ยกจิตขึ้นมาจากอาการเหล่านั้นเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นอาจจะมองพระศาสดาอาจจะมองพระอริยสงฆ์อาจจะมองเพื่อนผู้ร่วมปฏิบัติธรรมอาจจะมองถึงตนเองในช่วงที่ไม่เป็นอย่างนี้เพราะการเช่นนี้เพิ่งเกิดขึ้นไม่จะเกิดขึ้นมาตลอดชีวิต และในอดีตตนเคยกล้าหาญเคยเข้มแข็งเคยอดทนเคยไม่หวาดวันต่ออันตรายต่างๆแล้วก็ย้อนสู่อดีตมาพิจารณาทบทวนเห็นว่าที่จริงเราไม่ได้เป็นอย่างที่เราเป็นแต่การที่เราต้องเป็นอย่างที่เราเป็นนั้นก็เพราะมีเหตุปัจจัยอะไรบางอย่างแล้วก็พยายามสลัดสิ่งเหล่านั้นออกไปเสริมความกล้าหาญในบางเกิดขึ้นจิตก็จะเดินไปได้หรือบางครั้งบางคราวจิต มีลักษณะที่ไม่ค่อยจะพร้อมเท่าที่ควรอาจจะความเพียนหย่อนไปสติหย่อนไปสัมปชัญญะหย่อนไปก็อาศัยความอนุเคราะจิตมองดูจุดที่มีปัญหาให้เจอแล้วพยายามแก้ไขเฉพาะจุดนั้นเมื่อแก้ไขจุดนั้นได้อย่างอื่นมันก็เดินไปได้เพราะมีความพร้อมอยู่แล้ว แต่ว่าโดยข้อโดยความเป็นจริงแล้วคนเราไม่รู้ว่าตนเองอยู่ประเภทไหนอยู่ในประเภทปฏิบัติสะดวกรู้ได้ช้าปฏิบัติปฏิบัติลําบากรู้ได้ช้าปฏิบัติลําบากรู้ได้เร็วปฏิบัติสะดวกรู้ได้ช้าหรือปฏิบัติสะดวกรู้ได้เร็วนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในวิสัยพุทธญาณคือประญาณของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะรู้ได้คนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้ เมื่อไม่สามารถจะรู้ได้ก็ต้องจับหลักคือไปเสริมในจุดของธรรมะที่เป็นฐานหลักในการประพฤติปฏิบัติอันที่จริงแล้วก็ทุกขั้นตอนของการดารงชีวิตเพียงแต่ปริมาณของธรรมะต้องใช้มากน้อยไม่เท่ากันเท่านั้นเองนั่นก็คือเรื่องของสติสัมปชัญญะและความเพียรพยายามที่ต่อเนื่องกันไป ในจั้นของทานของศีลก็เสริมให้มีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียนพยายามที่จะให้ทานรักษาศีลในทางการให้ทานในรักษาศีลนั้นจะต้องมีสัมปชัญญะคือรู้ตลอดไม่ใช่ว่าให้ไปโดยไม่มีทิศทางให้ไปโดยขาดการใข้ควรพิจิตพิจารณา ให้ไปโดยไม่ดูกำลังทรย์กำลังศรัทธาของตนเป็นต้นเพราะธรรมะปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนานั้นไม่ว่าจะเป็นการละชั่วหรือประพฤติและแต่จะทรงแสดงในแนวไหนก็ตามแต่ผลจะต้องออกมาเป็นประโยชน์เกือ้อกูลและอำนวยความสุขให้แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติสุดจะมากหรือน้อยก็เป็นอีกชั้นหนึ่งถึงผลที่ออกมาในลักษณะนั้นหมายความว่า กิเลสที่เป็นเหตุได้เกิดความเร่าร้อนรุนแรงภายในจิตใจของตนได้ลดละบรรเทาลงไปใจจึงรับความสุขความสงบเป็นผลมากน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนี่แสดงว่าถ้าจะมองจากสายละกก็ได้มองสายละกก็คือมองสายกิเลสล ด, ลดแต่มองสายบําเพลนเพียนก็มองสายความดีเพิ่ม แต่ผลที่ไปจักแก่ใจสัมผัสได้ก็คือมีความสุขความสงบเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะมองจะสายกิเลสลดหรือมองความดีเพิ่มก็ตามจะออกมาในลักษณะนั้นแต่ในชั้นของการดำรงชีวิตท่างๆาาุชนทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าเรามีสิ่งที่เราไม่ชอบต้องการจะขจัดปัดเปล่าออกไปแม้ในพิธีกรรมต่างๆเช่น ท, ที่สุดมงคลเรือนเป็นต้นเราก็ต้องการใหกจัดทุกภัยโรคให้ผะการลดกิเลสลงไปก็ดีในการเพิ่มความดีขึ้นก็ดีจะทำให้ทุกภัยโรคลดสงบลงไปโดยลำดับนั้นก็คือผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนาถ้าผลไม่ออกมาในลักษณะนั้นก็ชื่อว่า ไม่ได้รับผลตามเป้าหมายของการศึกษาและการประพฤติปฏิบัติส่วนจะมากน้อยแค่ไหนเพียงใรนั้นก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยที่บุคคลประกอบกระทาในกรณีดังนั้ น, น, นต่อจตกนี้ไปก็ขอให้ทั้งใจทงความสงบสืบต่อไป